พระไตรปิฎกเล่มที่สิเกสังยุตตนิกายมหาวารวักเป็นสุดตันตปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดเล่มที่19เกนี้ว่าด้วยธรรมะสำคัญเรื่องใหญ่ๆรวมส2บสองสังยุตคือมักคะสังยุตประมวลเรื่องมัคมีองคปดอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โพชงคะสังยุตประมวลเรื่องโพชงคือองแห่งปัญญา เป็นเครื่องตรัสรู้มีสติเป็นต้นสติปรานสังยุตประมวลเรื่องสติปัะานสคือการตั้งสติสีประการมีตั้งสติไว้ที่กายเป็นต้นอินทริยะสังยุตหรืออินสีสังยุตประมวลเรื่องอินรีห้าคือธรรมะอันเป็นเรื่องใหญ่ในหน้าที่ของตนมีศรัทธาความเชื่อเป็นต้น สมภรษฐานสั่งยุตประมวลเรื่องความเพียรชอบสี่ประการมีเพียรทำไม่ให้เกิดความชั่วที่ยังไม่เกิดเป็นตน้นพละสั่งยุตประมวลเรื่องพละหาประการมีศรัทธาความเชื่อเป็นตน้นอิทิปาธสั่งยุตประมวลเรื่องอิทิบาตคือธรรมะอันให้บรรลุ ค, ความสำเร็จสี่ประการ มีชันทะคือความพอใจเป็นต้นพึงสังเกตว่าตั้งแต่สังยุตที่หนึ่งถึง7นี้ว่าด้วยโพธิปักิยธรรม32ประการเป็นแต่ไม่เรียงลำดับตามหมวดเท่านั้นอนุรุธะสังยุตประมวลเรื่องพระอนุรุธผู้เป็นพุทธะอนุชาชาณสังยุตประมวลเรื่องชาญ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 ซึ่งเป็นชั้นแรกในสี่ชั้นสัจจะสังยุตประมวลเรื่องอริยศาส์ซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าสังยุตานิกายมหาวารวักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มักคะสังยุตประมวลเรื่องมัคมีองค์แปดอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าด้วยอวิชชานักรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายไว้ดังนี้อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอากุศลธรรมทั้งหลาย อหิริกะความไม่ละอายบาปอาโนต ป, ปะความไม่เกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วยผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมมีมิจฉาสังกัปปะคือการดำ m ริผิดผู้มีมิจฉาสังกัปปะคือดำ m ริผิดย่อมมีมิจฉาวาจาเจรจาผิด ผู้มีมิจฉาวาจาเจรจาผิดย่อมมีมิจฉากรรมตะคือกระทำผิดผู้มีมิจฉากรรมตัมีการกระทำผิดย่อมมีมิจฉาอาชีวะคือเลี้ยงชีพผิดผู้มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดย่อมมีมิจฉาวายามะพยายามผิดผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติ คือระลึกผิดผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดและโดยนยัยยะตรงข้ามกันผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิฏฐิผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจา ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากรรมตักผู้มีสัมมากรรมตักย่อมมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิ ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งท่านพระอาห น, นุนเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอริยมรตตรัสว่าอยากเล่าอย่างนั้นที่จริง ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นปรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานน์ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์8ปดให้มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมาธิทฐิอันอาศัยวิเวกคือความสงัด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 อาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักคะข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบด้วยป ร, ริยายนี้ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดีเ่าสัตว์ผู้มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนตและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนนต์และอุปายาตนั้นอานนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบดยปริยายนี้และ คำว่ามิตร ด, ดีหมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นสหายดีหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนดีหมายถึงเพื่อนที่รักใกล้สนิทสนมรู้ใจกันซื่อสัตย์ต่อกันรมจาจา์ในที่นี้หมายถึงอริยมรรคว่าด้วยชานุสัตโซนิพรา เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระอานน์เข้าไปบินธบาตยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพราหมณ์ชื่อชานุโสณิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนเชือกด้ามประตักรม่มผ้าโพกผ้านุง่งรองเท้าและพัดหรือแส้ ก็ล้วนเป็นสีขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วผาดกันพูดว่ายานพหณะนี้ประเสริฐหน้อครั้นท่านพระสาวรีบุตรกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒนาหารเสร็จแล้วจึงไปเข้าเฝ้ากลับทูลถวายเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อาจบัญญัติได้คำว่ายานอันประเสริฐ ยานในที่นี้สะกดด้วยยอยักษ์นะครับนั่นเป็นชื่อของอริยามรรคองแปดนี้เองเรียกว่าพรหมยานบ้างธรรมยานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างพรหมยานและธรรมยานใช้คำว่ายานที่สะกดด้วยยอยักษ์ซึ่งหมายถึงยานพาหนะนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรมัมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาส ม, มาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดคําว่ายานอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8ดนี่เองเรียกว่าพรหมยานบ้างธรรมยานบ้าง รถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างพึงทราบโดยป ร, ริยายนี้แหละตรัสคทถาพระพันธ์ต่อไปอีกว่ารถใดในที่นี้หมายถึงอริยามรรคองค์แปดมีธรรมะคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมื่อมีหิริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกมีสติเป็นนายสารถีผู้คอยควบคุม รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมีชานเป็นเปล่ามีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาเป็นทู่คือไม้แม่แคแร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอกมีความไม่อยากได้เป็นประทุนกุลบุตรใดมีความไม่พยาบาทมีความไม่เบียดเบียนและมีวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะหนังกุลบุตรนั้นย่อมประพฤต เพื่อความเกษมจากโยคะพรมายาอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชมีชัยชนะย่อมออกไปจากโลกโดยแท้ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ นักลุมสาววัตถีภิกษุหลายรูปเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าพวกอัญญตเดรธิปริพาชกถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคโดมเพื่อประโยชน์อะไรข้าพระองค์ตอบว่าพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข้าพระองค์ตอบอย่างนี้ ชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หรือไม่ทรงตอบว่าชื่อว่าผู้ตรงเพราะเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ิกษุทั้งหลายถ้าอัญญาเดรีรตีปริพาชกถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่ามีมกักมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นอยู่หรือไม่พึงตอบอย่างนี้ว่ามีอยู่ ข้อนั้นคืออริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่คือมรรคนี่คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกเถอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดียรธีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งอุนถามปัญหา ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรทรงตอบว่าอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินินีและเป็นพรหมจรรย์ธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ธรรมะที่กำจัดราคะโทสะและโมหะนี้เป็นชื่อของนิพพานธาตุเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะทูลถามว่าอมตะเป็นอย่างไรทางที่ใหถึงอมตะเป็นอย่างไรส่งตอบว่าธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าอมตะ อริยามรรคมีองค์แปดนิแลคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเป็นทางที่ให้ถึงอมตะว่าด้วยการจำแนกอริยามรรคพิสษุนทั้งหลายอาริยามรรคมีองค์แปดอะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร คือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกความรู้ในทุกขะนิโรธความดับทุกขความรู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกขนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดําริในเนคขมักการออกจากกาม ความดำริในอภัยาบาตความไม่ภัยาบาทความดำริในอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนนีเรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาทพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปิสุนาวาจาพูดสอเสียด พรุสวาจาพูดคำยาสัมผัสปลาปะพูดเพอร์เจอร์นี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์อธินาทานการลักทรัพย์อพรรมจันทร์การประพฤติผิดอันเป็นฆ่าศึกต่อพระมรรจันทร์ นี้เรียกว่าสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสำหรับอาชีพของพระสงฆ์ที่เป็นสัมมาอาชีวะนั้น ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมและเผยแผ่ธรรมเท่านั้นนะครับเมื่อตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วจึงออกบินฑบาตเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยชอบขึ้นชื่อว่าไม่เป็นนี่บริโภคสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะ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 นี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิไนนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญามีสติกำจัดอภิชาและโทรรมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจัดกามและอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมชาติที่มีวิตกวิจารปีติ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 บรรลุตัติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะลาสุขละทุกได้เพราะโสมนัตและโทมณัตดับไปก่อนบรรลุจตุตถะฌานที่ไม่มีทุกไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาส ม, มาทิ ว่าด้วยอุปมาด้วยเดือยภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจับต่ามือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใด เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ผิดมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายอาวิชชาให้วิชชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งทิฏฐิไว้ผิดฉันนั้นเหมือนกันและโดยนยัยยตรงข้ามกันเป็นไปได้ที่เดือดข้าวสาลีหรือข้าวเหนียว ที่ตั้งไว้ตรงจักต่ำ ม, มือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนี้แม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกจะทำลายอาวิชชาให้วิชชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งราบตั้งทิฏฐิไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกัน ทิฏฐิและมักคะภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอาวิชชาให้วิชชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญสัมาทิฏฐิจนถึงจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถู มีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูย่อมทำลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งเป็นอย่างนี้แลว่าด้วยนันทิยะปริภาชก ค, ครั้งหนึ่งนันทิยะปริภาชกเข้าเฝ้าได้ทูลถามดังนี้ว่า ธรรมะเหล่านที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทรงตอบว่าธรรมะแปดประการนี้คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั้นเป็นธรรมะแปดประการที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้า มีนิพพานเป็นที่สุดครั้งนั้นนันทิยาปริภาชกกราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตวิหารวักหมวดว่าด้วยวิหารธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นสักครึ่งเดือนไกลๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นําอาหารบิณฑบาตเข้าไปให้เพียงรูปเดียวครั้นครึ่งเดือนนั้นผ่านไปทรงออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีในที่นี้ท่านย่อไว้โดยในย่าเดียวกันคือมักมีองค์แปประการเรียงตามลำดับนะครับ และเพราะฉันทะเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงม <laughs> sure. ีเพราะวิตกเป็นปัจจัยเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมะไม่สงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมะสงบเป็นปัจจัย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 เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นธรร ม, ส ม, สร ม, มระสงบเป็นปัจจยัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมะสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีและโดยในยะเดียวกันในเรื่องของอริยามรรคมีองค์แปดจนถึงเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจยัย ความสวยอารมณ์จ <necessary. S 2> okay. ึงมีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นธรรมะสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นธรรมะสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะฉันทะเป็นธรรมะสงบวิตกวิตกเป็นธรรมะสงบ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 ว่าด้วยองค์คุณของพระเสขะพิษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าที่ตรัสว่าพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะทรงตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิ ที่เกิดพร้อมกับผลสามและมรษีประกอบด้วยอริยามรรคมีองค์8ปดประการนั้นอันเป็นของพระเสขะคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสข ะ, สสสข ะ, ขะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะพระเสขะคือตั้งแต่พระโสดาบาันขึ้นไปแต่ยังไม่สำเร็จอ ร, รหัตผล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 ไม่มีวินัยคําสอนข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยธรรมะอันบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายธรรมะแปดประการนี้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้น ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเวนวินัยของพระสุกตย่อมไม่เกิดขึ้นธรรมะแปดประ ก, การนั้นคืออริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิว่าด้วยการสนทนาธรรมในกุปกตารามสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์ กับท่านพระพัทธะอยู่ที่กุกกุตารามเขตเมืองปาตาลีบุตรครั้นเวลาเย็นท่านพระพัทธะถามท่านพระอานุ์ว่าที่เรียกกันว่าอภรม์มจันเป็นอย่างไรท่านพระอานุ์ตอบว่ามิจฉามาคือทางผิดมีองค์แปดนี่แลเป็นอภรณ์มจันได้แก่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิ ท่านพระพัทห์ถามว่าพรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรตอบว่าอริยมรรยมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี่แหละเป็นพรหมจรรย์ธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ถามว่าพรหมจารีเป็นอย่างไร ที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรตอบว่ามัคมีองแปดนี้แหละเป็นพรหมจรรย์คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมัคมีองแปดนี้เรียกว่าพรหมจารีธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ มิจฉตวัคหมวดว่าด้วยมิจฉตรธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องมิจฉตรธรรมคือธรรมะที่ผิดและส ม, มัตตธรรมคือธรรมะที่ชอบมิจฉตรธรรมคือมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิส ม, มัตตธรรมคือสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิอกุศลธรรมคือมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิากุศลธรรมคืออริยามรรคมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมิจฉาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ผิดได้แก่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิและสมัตปทา คือข้อปฏิบัติถูกหรือข้อปฏิบัติชอบได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิภิสูตทั้งหลายเราไม่สรนเสริญมิจฉาปฏิปทาของเข้ารือหัดหรือบรรพชิตเข้ารือหัดหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญาณธรร ม, ยยรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดมิจฉาปฏิปทาคือมิจฉาทิฏฐิ จนถึงมิจฉาสมาธิส่วนส ม, มปทาคือตั้งแต่สัมมาทิทฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิเราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของเข้ารหัสหรือบัรพชิตเข้ารหัสหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติชอบยอมทำญายธรรมที่เป็นกุศลให้สาเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบนั้นว่าด้วยอาสัตต์บุรุษ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษส่วนบุคคลคนใดในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิบุคคล น, นี้เรียกว่าสัตบุรุษส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิและมีมิจฉาญาณะคือรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตติคือหลุดพ้นผิด บุคคล น, นี้เรียกว่าอสัตว์บูรุษที่ยิ่งกว่าอสัตว์บูรุษส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินั้นและมีสัมมาญาณรู้ชอบมีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบบุคคล น, นี้เรียกว่าสัตว์บูรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บูรุษภิกษุทั้งหลาย หม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ง่ายที่มีเครื่องรองรับกลิ้งไปได้ยากแม้ฉันใดจิตก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ไม่มีธรรมะเครื่องรองรับกลับกลอกได้ง่ายที่มีธรรมะเครื่องรองรับกลับกลอกได้ยากธรรมะเครื่องรองรับจิตคืออริยมรรคมีองค์8ปดนี้แหลได้แก่สัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิทรงแสดงอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างที่มีบริขารบ้างอุปนิสสะหมายถึงอุปนิสัยหมวดธรรมะที่เป็นเหตุทาหน้าที่ร่วมกันบริขารในที่นี้หมายถึงบริวารอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะที่มีบริขาร คือส ม, มาธิฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจ็ดประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาส ม, มาธิที่มีอุปนิสสะบ้างอริยสัมมาส ม, มาธิที่มีบริขารบ้างภิกษุทั้งหลายเวทนาสามประการนี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนา และอาจทุกขมสุขเวทนาบุคคลพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการนี้อริยามรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมาสมาธินั่นแหละว่าด้วยพระอุตตยะท่านพระอุตตยะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่า ขอพระทานวโรกาศข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึงขึ้นมาว่ากามคุณห้าประการอะไรบ้างที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วทรงตอบว่ากามคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น พลทพะคือความสัมผัสถูกต้องทางกายที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำนัดการมาคุณห้าประการ น, นี้เราได้กล่าวไว้แล้วอุตยะบุคคลพึงเจริญอริยะมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินั้น เพื่อละกามคุณห้าประการนี้ปฏิปฏิวัติหมดว่าด้วยการปฏิบัติเรื่องเกิดขึ้นที่กรุสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มิจฉาปฏิบัติได้แก่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสมาธิ ส่วนสัมมาปฏิบัติได้แก่อริยามากมีองค์แปดนั้นคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิจนถึงมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติผิดส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั้นบุคคลนี้เรียกว่า ผู้ปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายอาริยามรรคมีองค์แปดอันบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่งพลาดแล้วหมายถึงทําพลาดไปเพราะไม่ได้บรรลุอริยามรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วส่วนอริยามรรคมีองค์แปดอันบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ปราลบแล้วอริยามรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบคือทาจนให้สำเร็จได้ก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้วภิกษุทั้งหลายธรรมะแปดประการนี้คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อจากฝั่งนี้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 จักข้ามพ้นวัตตักคือการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้ยากแสนยากจากถึงฝั่งนโน้นคือนิพพานบัณฑิตละธรรมดำคืออกุศลกรรมแลพึงเจริญธรรมขาวคือกุศลกรรมออกจากที่มีน้ำคือวัตตักมาสู่ที่ไม่มีน้ำคื อ, อนิพพาน ละ ก, กามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้พ่องแพ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอริยามรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินิแลเรียกว่าสามัญญาโซดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าสามัญญาผล ธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งสามัญญะคืออริยามรรคมีองค์แปดอริยามรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั้นเรียกว่าพร ม, มัญญาโสดาปติพลสกทาคามิผลอนาคามิผลอารหัตตพล เหล่านี้เรียกว่าพรมัญญพนอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินีิเรียกว่าพรหมัญญะธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนีิเรียกว่าประโยชน์แห่งพรมัญญะอริยมรรคมีองค์แปดนิเรียกว่าพรหมจรร์โสดาปฏิพน สกท า, าคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลเหล่านี้เรียกว่าผลแห่งพรหมจรรย์ธรรมะเป็นที่สิ้นราคาโทสะและโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมจรรย์อัญญติตติยะเปยาละวัคหมวดว่าด้วยอัญญติตติยะเปยยน ว่าด้วยมักและปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดียรตีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติรมอาจารในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรเธอทั้งหลายพึงตอบอย่างนี้ว่า เพื่อสำ r อกราคะอันหนึง่งถ้าพวกอัญญะเดียรตีปริพาชกถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่ามีมัสมีปฏิปทาเพื่อสำ r อกราคะอยู่หรือไม่ปึงตอบอย่างนี้ว่ามีอยู่และข้อนั้นคืออริยมัสมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินี้คือมัสนีคือปฏิปทาเพื่อสำรอกราคะ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญาเดีรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าด้วยพระสูตรหกสูตรมีสังโยชนะปะหานาสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดีรถีปริภาชกถามเธออย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติโภมาจันในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไร พึงตอบว่าเพื่อละสังโยชน์พึงตอบว่าเพื่อถอนอนุัสพึงตอบว่าเพื่อกำหนดรู้อัฏฐานะคือทางไกลพึงตอบว่าเพื่อความสิ้นอาสวะพึงตอบว่าเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตพึงตอบว่าเพื่อยานัทสนะเธอทั้งหลายพึงตอบว่า เพื่ออนุปาธาปริณิพานคือความดับไม่มีเชื้ออันหนึง่งถ้าพวกนั้นถามเธอว่ามีมรรคมีปฏิปทาเพื่ออนุปาทาปริณิพานอยู่หรือไม่พึงตอบว่ามีอยู่คืออริยามรรคมีองค์แปดนิแลได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอัญญาเดียีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้สุริยะปยาลวั์หมดว่าด้วยสุริยะปยานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใด กัญยานมิตาคือความเป็นผู้มีมิตรดีก็เป็นตัวนำเป็นบุพานิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยามรรคมีองค์แปดชั้นนั้นภิกษุผู้มีกัลยานมิตพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยามรรคมีองค์8ปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิ จนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปในวัฏสะฆะภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้และและโดยในยะเดียวกันภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลพูดถึงพร้อมด้วยฉันทสัมปทา ผู้ถึงพร้อมด้วยอัตตาสัมปทาทิฏฐิสัมปทาผู้ถึงพร้อมด้วยอัปปมาธาสัมปทาโยนิโสมณนสิการสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการมณนสิการโดยแยกคายธรรมะแต่ละประการนั้นก็เป็นตัวนำเป็นบุพานิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยามรรคมีงองคปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินั่นแหล และโดยในยะเดียวกันเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะขึ้นย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใดกาลยานมิตาก็เป็นตัวนําศิลสัมปทาฉันทสัมปทาอัตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทาสัมปทาโยนิโสมนสิกาวรสัมปทาแต่ละประการ น, นั้นก็เป็นตัวนําเป็นบุพานิมิต เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยะมรรคมีองค์แปดชั้นนั้นเอกธรรมะปะยาลวักหมวดว่าด้วยเอกธรรมะปญยานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเป็นเอกมีอุปการะมาก เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยะมรรคมีองค์แปดคือกัลยาณมิตรตาศีลสัมปทาชนทัศน์สัมปทาอัตตสัมปทาทิฐิสัมปทาอัปปมาทัสัมปทาโยนิโสมณสิกาวรสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมแห่งความพอใจในธรรมการถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ถูกต้อง การถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความถึงพร้อมด้วยการมณศิการโดยแยบคายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะแต่ละประการนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะเจริญอริยามรรคมีองค์แดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยามรรคมีองค์แด ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยามรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนกัารยานมิตาคือความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ภิกษุผู้มีการยาณมิตพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์8ปดให้มากและโดยนัยยะเดียวกัน เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อริยามรรคมีองค์แปดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือเป็นเหตุให้อริยามรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่เหมือนศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลเหมือนชันทะสมั ม, มปทาคือความถึงพร้อมแห่งความพอใจในธรรมเหมือนอตตสัมปทาความถึงพร้อมแห่งตน คือมีจิตใจซึ่งพัฒนาเต็มที่แล้วเหมือนทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิที่ถูกต้องเหมือนอัปปะมาธาสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความไม่ประมาทเหมือนโยนิโสมนัสิการัสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการมนัสิการโดยแยกคายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยปฏิปทาเหล่านั้น พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยามรรคมีองค์8ปดทำอริยามรรคมีองค์8ให้มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญสัมสมาทิฏฐิอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดจเจริญอริยามรรคมีองค์8ดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด ขังคาเปยาลยาวัคหมวดว่าด้วยขังคาเปยยานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยามากมีองค์แปด ทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานการเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธ ร, รมวิันนี้เจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะและโดยในย่เดียวกันเนื้อหาเหมือนกันทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนชื่อแม่น้ำนะครับและต่อมาก็เปลี่ยนจากไหลลงแม่น้ำเป็นไหลลงสู่มหาสมุทรและที่สุดโดยในย่าเดียวกันเช่นกันเปลี่ยนจากเจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวกนั้นเป็นเจริญสัมมาธิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมะมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดและโดยในยะเดียวกันเจริญสัมมาธิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดเจริญสัมมาธิฏฐิ จนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลอะอปมาทวั หมวดว่าด้วยความไม่ประมาทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ก็ตาม สัตว์ทั้งหมดนั้นมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากคือเจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มาก เป็นอย่างนี้แลและโดยนัยยะเดียวกันเจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเจริญสัมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากคือเจริญสัมมาทิทฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวทอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะและโดยในยะเดียวกันเปรียบเทียบกับกรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอด รวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกเล่า ว, ว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นทั้งหมดแม้ชันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ชันนั้นเหมือนกันรวมลงที่ความไม่ประมาทปลิสนาชาวโลกกล่าว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นทั้งหมดจันแดงชาวโลกกล่าว่าเลิศกว่ากลิ่นที่กววเกิดจากแก่นทั้งหมดมลิ ชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากดอกทั้งหมดพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งหมดย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากภะลักรณียวัต หมดว่าด้วยการงานที่พึงทําด้วยกาลังเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการงานที่พึงทําด้วยกาลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีนแล้ว จเจริญอริยามรรคมีองค์8ปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากคือจเจริญสัมาทิทฐิจนถึงสัมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัค ข, ขาจเจริญสัมาทิทฐิจนถึงจเจริญสัมาสมาธิอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดจเจริญสัมมาทิทฐิ จนถึงสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานและโดยในยะเดียวกันอุปมาด้วยพืชพืชจะคขามและปูจะขามทั้งหมดหล้วนอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงเจริญงอกงามเติบโตได้พวกนาอาศัยกุณเขาหิมะพาน ย่อมเติบโตมีกำลังเติบโตมีกำลังแล้วลงสู่หนองสู่บึงลงสู่บึงแล้วลงสู่แม่น้ำน้อยลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วลงสู่แม่น้ำใหญ่ลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วลงสู่มหาสมุทรสาครนนาคเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทาอริยามรรคมีองค์แปดให้มากเปรียบเหมือนต้นไม้ที่โน้มไปสู่ทิศปราจีนโน้มไปโอนไปสู่ทิศปราจีนต้นไม้นั้นถูกตัดโค้นแล้วพึงล้มไปทางทิศปราจีนนั้น อุปมาณิฉันใดอุปมาิก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเปรียบเหมือนหม้อที่กว่ําน้ําย่อมไหลออกอย่างเดียวไม่ไหลเข้าแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งอริยะมรรคมีองค์แปดแล้วย่อมขายบาปอากุศลธรรมออกอย่างเดียวไม่ให้กลับมาภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจะตำ ม, มือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกอุปมาณ้ฉันใด เป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมัคคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกจะทําลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทํานิพพานให้แจ้งข้อนั้นปราะตั้งทิฏฐิไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกันทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมัคคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทําลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้น ทำนิพพานให้แจ้งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญสมาทิฏฐิโดยที่สุดจเจริญสมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในวอสักคะภิกษุทั้งหลายลมหลายชนิดพัดไปในอากาศลมทางทิศตะวันออกพัดไปบ้างทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศใต้พัดไปบ้างลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นพัดไปบ้างลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงพัดไปบ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากสติปัะธานสี่ประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างสัมมาประธานสี่ประการ ถึงความเจริญเต็มที่บ้างอิทิบาสีประการอินรีห้าประการภละหาประการพชชงเจ็ดประการต่างถึงความเจริญเต็มที่บ้างข้อนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาทิทฐิโดยที่สุดคือเจริญสมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธนอมไปในโวสักคะ ภิกษุทั้งหลายเมฆผลก้อนใหญ่ที่เกิดนอกฤดูการพัดเอาฝุ่นละอองธุลีที่ตั้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานหายไปโดยฉับพลันแม้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยามรรคมีองค์8ดทำอาริยามรรคมีองค์8ดให้มากย่อมทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ลมมรสุมพัดเอาเมฆฝนก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นให้อันตรธานหายไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั่นเหมือนกันเมื่อเจริญทําให้มากในอริยามรรคมีองค์แปดนั้นย่อมทําบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปในระหว่างเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือไว จอดอยู่ในน้ำหกเดือนพอถึงฤดูหนาวเขาก็ายกขึ้นบกเครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนกรดย่อมเปื่อยผูกไปโดยง่ายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญทำให้มาซึ่งอริยามรรมีองค์แปดสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายดดย ภิกษุทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่หลังหนึ่งคนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บ้างเข้าพักในเรือนนั้นวันณกษัตริย์วันณพราหมณ์วันณะแพทย์วันณะสูตรมาพักบ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญทําให้มากซึ่งอริยามรรคมีองค์แปด กำหนดรู้ธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ละธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละทำให้แจ้งธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเจริญธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ได้แก่อุปทานะขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น หประการคือรูปปาฏานขันธ์อุปาัปานขันธ์คือรูปเวทนูปาฏานขันธ์อุปาัปานขันธ์คือเวทนาสัญญูปาฏานขันธ์สังขารูปปัฏานขันธ์และวิญญาณูปาัานขันธ์นี้คือธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกําหนดรู้ ธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภวะตัญหาธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชาและวิมุต ธ, ธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนาภิกษุ เมื่อเจริญทำให้มากซึ่งอริยามรรคมีองค์แปดกำหนดรู้ธรรมะที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญยิ่งข้อนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เจริญสัมาธิทฐิโดยที่สุดเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสัก ข, ขะ เรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบา่าหลากไปสู่ทิศปราจีนถ้าหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบมาด้วยตั้งใจว่าจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าและหลากไปข้างหลังย่อมทำไม่ได้ง่ายและเป็นความลำบากเหนื่อยเปล่าอุปปมาณี้แม้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนกัน พระราชามหาอัมมาตมิตรอัมมาตญาติสาโลหิตก็ตามพึงปวารณาภิกษุผู้เจริญอริยามรรคมีองค์แปดทำอริยามรรคมีองค์แปดให้มากเพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภคศัพย์ให้ศึกจากพระมาใช้โภคศัพท์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญทำให้มากซึ่งอริยามรรคมีองค์แปดนั้นจะบอกคืนสิกขาคือศึกกลับมาเป็นเคารือหัด ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตนั้นอันน้อมไปในวิเวกโน้มและโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานนั้นจักเวียนมาเพื่อเป็นเครือัดภิกษุเจริญทำให้มากซึ่งอริยามรรคมีองค์แปดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสัมาธิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุเจริญทำให้มากซึ่งอริยามรรคองแปดเป็นอย่างนี้แหละเอสนาวัตหมวดว่าด้วยการสแสวงหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการสแสวงหามีสามประการนี้คือการสแสวงหากรรมการสแสวงหาภพการสแสวงหาพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายพบสามประการนี้คือกรมภพรูปภพ และอารูปภพภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละภพทั้งสามประการนี้สภาวะทุกสามประการนี้คือสภาวะทุกข์คือทุกสภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป ภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสภาวะทุกทั้งสามประการนี้แหลกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูมีสามประการนี้คือกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูคือราคะคือโทสะคือโมหะ ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองแปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูทั้งสามประการนี้มนทินสามประการคือมนทินคือราคะมนทินคือโทสะมนทินคือโมหะพึงเจริญอริยมรรคมีองแปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละมวลทินทั้งสามประการนี้ทุกสามประการนี้คือทุกข์คือราคะทุกข์คือโทสะทุกข์คือโมหะพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละทุกขทั้งสามประการนี้เวทนามีสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์พึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละเวทนาทั้งสามประการนี้แหละตัณหาคือความทยานอยากมีสามประการนี้คือกามตัณหาความทยานอยากในกาม ภาวตันหาความทยานอยากในภพวิภวะตันหาความทยานอยากในวิภพพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อลักตันหาทั้งสามประการนี้ตาสินาคือความอยากสมประการนี้ได้แก่กามตาสินา ความอยากในการภวตัศินาความอยากในพบวิภวตัศินาความอยากในวิพบภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัศินาทั้งสามประการนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ อันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดจเจริญสมาธิฏฐิจนถึงสัมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดจเจริญสมาธิฏฐิจนถึงสัมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลาย การเจริญทำให้มากซึ่งอริยามากมีองค์แปดเป็นอย่างนี้แหละโอขะวักหมวดว่าด้วยโอคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโอคะคือห้วงน้ำสี่ประการ น, นี้คือกามโมคะ วงน้ำคือกามพโอคะ่วงน้ําคือพบทิโทขคะ่วงน้ําคือทิฏฐิและอวิชโชขคะ่วงน้ําคืออวิชชาภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองแปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอคะทั้งสี่ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายโยคะคือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพสี่ประการนี้คือกามยโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายาโยคะพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะทั้งสี่ประการนี้ อุปาทานความยึดมั่นสี่ประการนี้คือกามุปาทานความยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิศิลปตูปาทานความยึดมั่นในศิลปรสัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งและละอุปาทานทั้งสี่ประการนี้ คันทะคือกิเลสเครื่องผูกมีสี่ประการนี้คืออภิชากายคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคืออภิชาพยาปาทะกายคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคือพยาบาทศิลปะตปรามาสกายคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคือความถือมั่นในศิลแรสติดลัทธิพิธีเชื่อโชคลาง อันขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมและอีทางสัจจาพินิเวสกายคันทะกิเลสเครื่องผูกกายคือความยึดมั่นว่าสิ่งนี้จริงพึงเจริญอริยามารมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อลักคันทะทั้งสี่ประการนี้อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องเจ็ดประการ คือการมราคานุสัสกิเลสที่นองเนื่องคือการมราคะปฏิคานุสัสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุใสมานานุใสภวราคานุใสอวิชานุสัสพึงเจริญอริยามรรคมีองค์8ปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อละอนุสัสทั้งเจประการนี้กามคุณห้าประการ คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโอทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้ผ่าใจให้กำนัดภิษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อละกรรมคุณทั้งห้าประการนี้นิวรคือสิ่งกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีห้าประการนี้คือกามชฉันทะนิวรความพอใจในกามพยาบาทนิวรความคิดปองร้ายธินมิทะนิวรความหดหู่ละเสื่องซึมอุทธจากกุกกุจจานิวร์ ความปุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉานิวรความลังเลสงสัยในธรรมในกฎแห่งกรรมเป็นต้นภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อละนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้อุปาทานะขันก่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นห้าประการนี้คือรูปูปาทานะขัน เวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังขารูปาทานขันและวิญญาณูปาทานขันภิกษุพึงเจริญอริยะมากมีองแปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อละอุปาทานขันทั้งห้าประการนี้โอรัมภากิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการนี้คือสัจกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน วิจิกิจชาความลังเลสงสัยในธรรมะไม่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเป็นต้นศิลปพตะปรามาดความถือมั่นศิลและรสติดลทัทธิพิธีเชื่อถือโชคลางที่ขัดกับกฎแห่งกรรมเป็นต้นกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดปองร้ายภิกษุ พึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อละโอรัมพากิยาสังโยชน์ทั้งห้าประการนี้อุทธามภากิยาสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงห้าประการนี้คือรูปปาราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานอารูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานมานะ ความถือตัวอุทจจะความฟุ้งซ่านอาวิชชาความไม่รู้แจ้งภิกษุพึงเจริญอริยามรรคมีองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธธรมภากิยะสังโยชน์ทั้งห้าประการนี้อริยามรรคมีองค์แปดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธ ร, รมวิไนนี้เจริญสัมมาทิฏฐิ จนถึงเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะเจริญสมาธิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอันน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยามากมีองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุท ธ, ธัมภากิยะสังโยชน์ทั้งห้าประการนี้